อขอกาบคารวะปะเทลานุเทละแลี่ยหลวงพ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์ทุกทา่านสวัสดีลูกสวัสดีลูกนินและก็เจริญสุขอยากเยียมภูมามาพฤฤิสปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ได้เวลาที่เราจะต้องฟังกันหลังจากทำวัดมีโอกาสฟังธรรมะฟังบรรยายธรรมะทุกวันทุกวันแต่ ว, ว่า วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาได้มากล่าวปิดงานซึ่งเราประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันมาก็ครบาวาระพอดีพอดีแต่ว่าเราก็คงจะเข้าใจดีคําว่าปิดงานปิดงานอือย่าเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดต้องเก็บไว้ปิดไว้ความจริงนี่ธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติมาอุตสาห รำมาด้วความเนี่อยเมื่อยล้าแล้วมาอยู่ที่นี่ตั้งวันตั้งหกวันเจ็ดวันนี่มาหาทรัพย์แต่มันจะมันอาจจะต่างจากทรัพพายนอกทรัพยายนอกเขาเรียกโพคสมบัติหรือเรียกโพคทรัพย์อันนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาทรัพยายนอกนี่ยังขึ้นตรงต่อทรัพยา์ปัญญาทางปัญญาจะต้องเป็นผู้พิทักรักษาทรัพยายนอก นั่นนั่นทรัพย์ที่เราได้ไปอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมจิตวันร่วมกันนี่ให้ออกไปใช้อยู่ที่บ้านทรัพย์อันนี้มันใช่หมดไม่เป็นมันไม่รู้จักสิ้นเปลืองมันไม่รู้จักหมดเปลืองทรัพย์คือปัญญาเราไม่แบ่งเป็นส่วนส่วนแต่ทรัพภายนอกเขาแบ่งออกเป็นส่วนส่วนผู้เถ่าเคยฟังเทียนบอกใส่กับกันทรัพย์ภายนอกที่หา ม, มาได้หรอเขาแบ่งเป็นจ่กส่วนล่ะ ฝากออมสินฟังดินไหวใช้มีเก้าให้เขากู้แล้วทราบขึ้นปัญญาไปฝากอมก อ, หห อ, อมสินอะไรปรหลาดปลวกเขาไงฮะออมสินอะไรธนาคารได้เขาเขารับทรัพย์อันนี้บะหมีเพราะว่าทรัพย์อันนี้เรา่เคยมีคนฝลข้นจีจะเถื่อเอาไว้กระเมือกับตัวเลยไปใส่มาใส่ไม่ใช่ค่อยเป็นสาธารณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุด บ่ได้มาบแบงเป็นส่วนส่วนเนียะไปฝากออมสินไว้สะเถาะปัญญาส่วนนียะบ่ได้บ่มีปัญญาส่วนเหนียไปฟังดินสะเถาะกระบอมีอี๋ละปัญญาส่วนนี้เอาใช้ไปใช้หนีเก้าสะเถาะบ่มีปัญญาส่วนเหนียไปให้เขากู้สะเถอะบ่มีอีกล่ะเพราะฉะนั้นคำว่ า, าฝากออมสินฝังดินไว้ใช้นี้เก้าให้เขากู้นี่ เป็นทรัพย์ภายนอกเป็นพ่อข้าส้มบาสเป็นพ่อข้ทรัพย์ซึ่งชีวิตของผู้คล้องเรื่องลูยจักดีตระนัดดีเพราะว่าผู้คล้องเรื่อนทั้งหลายนี่ภากันทุ่มเทพภากันขมขมิน่นภากันสาะสแสวงหามากักมาตุ่นไหวไม่เจ็บมาสะสมมาหลวบลวงไหวจนเฮาพ้นจาค่วมทุกข์ข่วงงา จนกล่าวขึ้นมาสู่ขั้วมังมีลำรุ้ยจนเป็นเศรษฐีก็มีแต่ว่ากับย่งบเบิดถุกไม่เปลี่ยนสัหาห า, ข า, ขาที่ห้ากับฟังโบถืงแผ่นดินอีกเข่อนสะภายนอกถึงว่าเขามีลักสุนี้วดมีเจนว่าฝากอ่อนสินพ่อสิเข้าใจฝากออนสินนึ่เงินจานวนหนึ่งเจ็บไหวชสาสมไวหวห้าเหตุทุกเชิญเกิดขึ้นโดยประายจิตเกิดเจ็บเกิดป่วยกังคำกังขึ้ น, นกับท่านหัน ให้มีเงินเหมารถเหมาล่าส่งกันถึงโรงพยาบาลให้ได้กินให้ได้ปัวกันให้ได้รักษาให้ได้เยียวหยากันนี่จะคอยมีกาันเก็บไว้ซะเป็นก้อนหนึงเขาอื่นว่ า, าปาาออมสินฟังดินไว้หมายถึงใช่จิ้งใช่บริโภคอัตราพร่างกายเห้องเป็นแผ่นดินอัตภาพร่างกายของห้องท่าเลี่ยงไว้ให้ได้สะดัดส่วนอิลีมีจึงเป็นประโยชน์ในการนำร่องฉีพ เขาเห็ุงานเข้ากับสิบบนเหตุบนเงยแต่เข้าเอาฝังดินไว้ดีธาตร่างกายอันเบิ่มเทิมง่ายๆในร่างกายเลื่อนล่างเข้ารูปล่างหางขิ่งหรือรูปปั้นถ้หรือตัวตัวสกุลละกายเข้านี่เขาอุปมาเหมือนเท็นนี่ก็เป็นแผ่นดินนั่นล่ะทักที่เข้าหามาได้เอามาฝังแผ่นดินคือเอามาอยู่เอามากินเอามาใช้เอามาสอยเรียกว่าแบ่งบริโภคใช้สอยมัธยูเนี่ย จำเป็นยุเอเที่วจะต้องบำรุงไหวรักษาไวหวร่างกายของเฮ้าให้ร่างกายของเฮ้ากำยำลำสันว่าหายมันอ่อนแออมรูปมันจังสีชังาช่าชัการของทานในบ้านในเฮ้าน้อง เ, เห็ุไห้เหตดน้ากัสิบโนบนิบอเนื้อเหตหัวเห็สวยกสิบนบนื้อร่างกายว่อ่อนแออมรูปฮานาเชีย่หอบฟังบทสีแผ่นดินคือหอบไปเจียวของกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นของเสียที่บเมินอาหารล่ะเอามาฟังไว และบวเปลี่ยนการเพิ่มแผ่นดินให้มีกําลังว่งชาติถึงมากไปสูบยาเนี่ยไปกินเหล่านี้ไปเกี่ยวหมากกสิบวม น, นี่ฟังบวชิแผ่นดินเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เป็นอ่าเป็นความ บ, บําเรอบวมนความบํารุงบวมนความบํารุงกับหมายหมายถึงบวมนอาหารละ่ะถ้าเป็นอาหารมันจะคอยสิเป็นเครื่องยั่งขีพ นี่คันท้องเจียวของกับของบำรุงนี่เรียกว่าเอาสัตว์จำนวนหนึ่งมาฝังดินวถุแผ่ดนดินนันเป็นฟังดินไว้บัตถุดินเกษสิ <c oughs> <c oughs> พ่อเข้าใจบานนี้ใช่มีเก้าเหมือเฮาทุกคนมีพอมีแม่บานนี้ลูกทุกคนจะต้องจงรักภักดีจะต้องลำลึกนึกถึงบุญคุณ ข, ของพ่อของแม่ พอแม่เป็นผู้ปุ่มชู้ดูแลเฮ้ามากพอแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มิอุปการะกะ่กอนสั่งใบก้อนแล้วเฮ้าคูยู่ในฐานะหลบหนี่จะต้องหาวันเวลาตอบบุญแท่นคุณนทันการตอบบุญแท่นคุณกับเป็นเสมเือนใช่หนีเก่าแต่พอแม่เพิ่มกับบ่อเด็กออกเออเผื่อว่าจะว่าสิ่งที่เพิ่นหายเฮ้าหายพวกเฮ้าจินหนีบนลาสันคันเพิ่นออกเอยเผื่อว่าจ๋าสัน เมื่อจิตกายเป็นว่าพ่อแม่บ่เป็นพระประจำสกุลเฮ็ดยังถา้ามียังรงไปบ่เฮ็ดเบื่อข่ ว, วมบริสุทธิ์ใจเขาจะใคยกล้ากล่าวาพอกแม่เป็นพระพ่ของลูกเป็นอาหารหันของลูกมันดูเพิ่นหาเฮ้าหาที่ถ้อยู่ถ้ำกินสิเป็นหัวปานสวนมอดหายหน้าตากระเพิ่นห้ยซื้อหน้าฟ้อนนันเพื่นหนลังนั้นงัวกล้วยตัวนัน ห, น, น, นหายอีนันเล้อเพิ่นห้ยซื้อ เพื่อนบ่เอาอีังตอบแทนเฮาได้ให้ได้น้าไปประกอบอาชีพเป็นที่ท่านอยู่ท่านกินแล้วสร้างรักบักฐานให้มันให้คงขึ้นมาแล้วห้ได้อยู่ดีกินดีประกอบกับพ่อแม่กับก้าวขัไปสู่วัยชราเรื่อยสุดส้มลงไปเรื่อยสุดสมลงไปเรื่อยบางเฮากรใชัยมีเก่า ทนพูไ้ไดบ่ทนุถนอมพอเมื่อบ่เคยตอบบุญแทน่นคุณบ่เคยเอทํางานทําการต่างหนานี่บ่ท่านแช่ยี้เขาเลยติ้นมียุต่พื้มันเป็นเจตันบ่ายห้าออกห้าตกลงเป็นปงใจเป็นผู้คล้องเลื่อนแล้วแต่งงานแต่งการมีครูมีจิม้มแล้วมีหลุมมีเตา่าห้าจะต้องหาเงินหา ร่อนจานวนหนึ่งอีกขึ้นกันล่ะทรงเสียการศึกษาเราเลี้ยนบ่อยลูกของเฮาหน่อยหนาตามตานี่เป็นเป็นเหตุก็เรียกว่าให้เขากูอันนี้จานวนที่เขาแบ่งไว้เพื่อทรงเสริมสนับสนุนวิจัการของลูกให้ลูกขเขาเฮาบะหน่อยหนาตามตาของคนในตระกูลอื่นของลูกในตระกูลอื่นให้มีงานมีการทีเทียมกับเขาคนอื่นอยู่ นีห่อห่อเอื่นว่าหาเขากูปาก่าเขาก็ บ, บริบาลด่าว่าอันนี้พวกลูกเอาไปแล้วต้องหาวันเวลาไม่ใช่มีพวกพอผมแม่เรื่อกบริว่านี่สะพายหนอกมันเป็นแค่สันสะพายหนอกสะ พ, พายในมีครอบแจกว่านด้ยบัณมี่ไว้เพื่อสิรักษาตนตัวมี่ไว้เพื่อสิครอบอ่ามี่ไว้เพื่อสิรักษาสะพายหนอกที่ต้องหามาใดโดย่าตอีกอ่ะมาดูสะพานใน บานมีใคนมีซับภายในแล้วใช่ซับไายนอกทุกบาททุกสตางเป็นการประพฤติสินไปเลยเขาเอื้อนปัดเจยะสันมิตรจิตสินโจกเงื่อนจากรากระเป๋บบากบ่าที่บาตนี่ใช่อยังนี้มันไต่ตอง ม, มันชี้ถวนมันคิดมันไรเลี่ยงมันทบตวนสะก่อนการไรเลี่ยงกันทบตวนนี่นั่นแหละเราย่ำที่จะลณาโดยแยบคายกูใช้เงื่อนกระบป๋บาที่บาทไปซื่อนี่ เป็นการเห็นแก้ตัวเพรานอกูซื้อเราซื้อยาสิโอกระแทบแคพาะปากกูหลูมเมียบริจิน้านี่เห็นแก้ตัวชัดชัดแนส่สิมึงดูขันเข้าเป็นคนที่ถ่วงปณีนี้่เข้ามีสังวันประทานเขาละว่างเพราะว่าการเหตุนี้ท่านยังบ่ให้มั่นกระทบกระเทือทนต่อผู้อืน่นเข้าว่าเข้าสวดไปทานทานไปว่าอนุปค่าตัวบ่ทําลายอนุปว่าทัวอนุปคาตัวการไม่พูดไร่กัไม่ทำไร่ เร่สิกิดเป็นการทำลายทำลายโดยตรงก็เอาข้อนมั ด, ดีแจ้งรุ่งพ่อว่าขาพ่อขาแม่โดยตรงเอาข้อนมัดีเอาขอ้ดดอนมาบยุยขาโดยตรงเอาของแหลมของก้มมะทิมมาแท่งโดยตรงเอาเปืนพลานหนามายิงมาโดยตรงดิขาลูกขาเนี้ยกันละ่ะบอขาโดยอาวุธแต่ว่าเท่าจใจใส่ใสยให้มีผลกระทบกระเทือนต้อนนี่ทำลายแล้วดูคำว่าทำลายห้าให้บ่กเป็นประโยชน์ บ่กเขาใจเรื่องญาติปทายจะแยกิประพฤติประยูตัวญาติเข้ากับเขาโต้ร้งปงใจเป็นญาติกันแล้วมาอยู่ร่วมกันสร้างครอบสร้างขั้วซร้างกันแล้วเป็นญาติแล้วมันดูญาติคือไผ่บันญาติคือพ่อคือแม่ญาติคืออาอคือชายญาติคือน้องคือนุงคือนาอาปาลุ่มคือเถือกเท้าเราก่อคือหลูกคือเมียคือสามีพันญามันดูญาติบ้านี่เข้า ซื้เหากินมันถึงญาติบ่บันญาติผู้อยู่ใกล้ๆเนี่ยผู้ทุกขุย่างสมมุติว่าเขาก็ว่ากินเราแ่ะผู้หญิงของเขา้าซื้อยาสูบล่ะมันถึงยากิบ่บันผู้ยิงของเข้าเขาก็ว่าสูบยาแล้วสิมาซื้อปัทุ่ตัวหนึ่งได้กินเบ็ดครบนี่สินเนี่ยมาดูเข้าส่วนไปนี่มันก็นมีข้อหมายเหตุมีเจ้าใครสามารถกาวว่าซับคือปัญญาสามารถคุมขอ้องซับไพ่หนอยอีกที่หนึ่งชจับใจไข่ซอยไปที่แล้ว สิบาทยี่สิบาทมันทีถ้วนมันจะเป็นปัจจัยสันนิษฐาศินสิ น, สนอันนี้บริโภคแจกไพ่มันเป็นภาคปฏิบัติไปเลยการพิจารณาประจัยกองพ้ามันฝันี่ข้าสวดกำกับอไปสั่งขยโยนีโซ่กีวรังปฏิเชื่วามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคลายแล้ะนุ่งห่มจีวระไปสั่งขโยนีโซ่บิดาปาตามปฏิเชื่อวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคลายแล้วฉันบิดาบาท ไปสังกยโยนิโซเจนะชนะบรดิเจวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช่สอยเสยนาสนะเขาว่าไปเจี่สิของพระมันมีค้ำกำกับไปนั่มได้เนพระว่าตั้งได้ป่าว่าตั้งได้ปา ก, าปากบ่พิจารณาถึงใจกะเรียก ว, ว่าเป็นเรื่องผิวเผินไปกันนั่นแหะบดถือบดถือโดยตรงบดถือโดยอ้อมนั่มบุญละมันเป็น เนี่ยบ้าี้แม่นพระว่าจ่อยจ่อยอยู่กับบ่เลยซื่อว่าอพิจารณาประใจพอใจของเจ้าของกัไปถ้าอืึบว่ะอืมมานั่นอลียส้นนั่นมูเพิ่งลงมือก็มี่เมืแต่ว่าไปสันคโยว่าหางวงแจ๊กกล้วยไมมันหนกดันว่าไปให้มันจบสาวมันยากเจ้าของตายไปเป็นกล้วยดันไปสั่นตัดเป็นนิดหน่อยเคยเฝ้าอยู่ก็ริงยาเขาพูดแต่หากอยาก่างรี้ยวใส่เขาอ่ะมันเป็นเจสันที่นี่ ใจมันโจดมาจองจาฝุ่นไหมนี่มันพอพอไปลึกถึ่งอย่งเน่นมันวาผิวเผินนี่ละ่ะลองมาบูรูกมันได้เว้นบาปไปด้วยแม้ว่าเป็นสภาพปาปภาษากรนังการไม่ทำบาปทางให้ชัยเงื่อนชัยข้าทุกบาทุทสตานระวังบ่อยมีผลกระทบกระเทือนตอนลูกตอเนีย ลูกมีอาหารล่างคนเขาแสดงควิมคิดควิมเห็นออกมาบางครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวเห็นเห็นแกจลูกตาดำดำกำลังเรียนอยู่เศร้าเสียใจเขาเฮ้ยเฮ้อเลิกอย่าเบิ้งสเสียงเจ้ากระได้เลิกเราเบิ้งสเสียงเฮากำลังหาเงินหาท่องทรงเสียการศึกษาเราเรียนแจลูกอยู่เสียเท่ามคนสองคนก็บเดือนนึงกับบนหน่อยเขาแสดงออกม่าล่างกจสิเป็นพ้นดีกลายเป็นผลนลาย สิเป็นปากเป็นเสียงสิทะเลาะบอแวงยังสีบัลลางเขาเกิดเลยบอแสดงออกมาบอหามบอปาม อ, อาแจะเล่าเหตุเขาก็ ย, ยิ้ในลักษณะหวาออนอมคมกืน่นผู้เป็นสานมีผู้เป็นน่ายชายเงื่อนไปบรมันระว่างกับมีผลกระทบกระทืนต่อคู่ทุกคู尼ากุศลนี่อนุประวาติทั้งอนุประค่าตูแล้วสงบ น, นี่เข้า บอผูดผ่ามท่าเพียงบอทรงเสียงเี้ยดังอือกระทือคือโค้มเอ็เตโลเข้าสิว่าเป็นสมณะบไ่ไรดีสมโโหติปรังวิหิทา ย, ยันตัวผู้ทำสัตว์ให้ลำบากอยู่ไม่คิอว่าเป็นสมณะเนี่ยเขาลำบากว่ราะสิเขาทุกข์ใจเขาน่อยใจยุ่เท่าที่ได้เกื่อนสามีหรือบอเป็ดเจ้างใจอยากห้ามอยู่อยากว่ายอยู่แต่ว่าบ่ไรกันว่าออมมาแยา่ไหนมันสิพิษกันแสดงควนขี่ควเห็นออกมาแย่ไหนมันสิพิษกันเรื่องเจ้งสิา่า เป็นไปได้เห็นมั้ยดูมันว่เป็นสภาพบาปปสสะเออมันก็เป็นการทำบาปยุ่งสละเพราะแคัในการเฮาเข้าใจ เ, right. เรื่องคิดเรื่องใจเรื่องเรื่องเว้นจากก on ารคาการตีทั้ง <komt> คิดทั้งใจกันไปแล้วซึ่งว่เป็นการคาโดยตรงคาโดยตรงคาทั้งร่างกายเอาขอนมปัดหัวปุ๊กปุกเข้าไปโลวนนี่คาโดยตรงเตะเข้าไปแน่ศอกเข้าไปแน่เข่านี่ก็สิคาโดยตรงนี่มันดูเก็บกายอนี้คาโดยอ้อมก็เช่นกันล่ะ เรียวว่าจีนสร้างเหยียบปากนกเขามีสิทธิพูดอยู่เขามีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยู่เขาแสดงออกมาบดได้ยังสิอยู่ลักษณะหวานอมขมกืนกืนกลืนกับกลืงบวกลงดอกค่ายกับค่ายบวออกซ้ำดอกลักษณะนี้นี่แหละการสัพปะปะภาษากระนังการไม่ทำบาสทั้งปวงการเข้าใจเรื่องกรรมฐานน่พพาโทุกข์ไมสิตัดเลยตัดกรรมเลย ควมอยากซึ่งมันไปเกี่ยวของกับของบอมิศาละนีณสติมัลูเท่าท่านมันโอ้กูสีประพฤติตันีบ่เป็นประโยชน์ญญที่บรมยานญาติฐานที่ใจเงินใจข้ามขังนี่บ่เขารักเนี่เนี่ยมึงูมันเห็นแต่คิดมันผงมันแดงนี่หละมหาสติรูอ้อารมณ์เฉพาะนามันก็เลยสิทสัดกรรมมันคิดอยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขืนมา สติมันมันหลู่ท่านนี่แล้วเป็นทั้งคยานตอนมันก็บอก่าคือมันในลักษณะของร่วมเป็นอุทยา พ, พยานอุปัสนายานันแล้วเฮาเฮาลู่ว่าที่ขยังลู่อริยสัจลู่การเกิดขึ้นของ เ, อเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณฮาเดียมั่นอยากอันนั้นมั่นอยากอันนี้ถ้ามันอยากนี่สิ่งที่บุมีสารประโยชน์ เออเข้ากับรูซึกตัวซะควมรูซึกตัวเนี่ยเขาไปตัดด้วยท่านทีเนี่ยประหารประหารอะไรเป็นการา่าเลยเข้าสีเอาเวลาไดไปา่าจังเข้าว่าเรื่องขากันขาโดยตรงก็เป็นเรื่องอยาดหยาดเห็นง่ายง่าโดยอ้อมกับเบิร์เบอร์เนไม่เป็นละ่าโดยอ้อม ยังขาโดยตรงเข้าก็เคยบอกอยู่เรลยว่าลูกขาเข้านี่บ่มีพอ่อใดแม่ใดคือขาจะสั้นตอกในที่นี้มั่นเออถคือลูกขาด้วยเอาคขอน ม, มาจีมะโบยเอาของแหลมของกมมาถิมมาแท่งนี่ว่ามีเดี๋ยวเ้ว่าขาโดยอ่อนสิไล ย, ยู่ลูกเขาเข้าซุ้มไยงยการหาบานแล้วล่ะเป็นบ้านเป็นสาเป็นทาวเป็นนั่นี่แหละเขาบอ อ่ทำกิจาการงานธุระ ต, ต่างๆให้สุดฝีมือให้ว่าเลาะและมักเลนเจเพเจเตเล่ล่อนควบเพื่อนที่พ่อแม่บรรยงสมพรนําคบเพื่อนชั่วกันสินี่ขาพ่อขาแม่พวนี้พ่อแม่บ่ได้กินเหือ่อกินแห้งพ่อแม่สิเอามาปุงเอามาแจงกังคำกังขึ้นเดือดเดือดดึๆดึ ง, ดงคนอื่นขอบคู่อื่นเขาได้รักแย บ, บรักจมเขาได้กินอาหารขึ้นควบรับ ดังนั้นข้อมนอนลัดแฉบแล้วโจน่เป็นอาหารของร่างกายย่างดีโบเซีอเข้าล่องไปเบงิงฟูอดนอนเพราะเพราะฟังลัมฟังล่ำฟังห ล, งงลองมันดนพร้อมขึ้นกันตากวณจะโวกแล้วโบได้ล่ำอ่าโบเลยโบเลยนอนเพราะฟังล่ำจากสองสามขึ้นอันนี้กันคันพอแม่ไปมัว่วทวงจะกระดูกขี้มันตัวตัวคนไหนเจลีหลายคนใเสียหาหลา ย, อายพอแม่แหงห่วงไหล พอแม่ก็ดล้วบ่มีโอกาสได้นอนเต็มหูเต็มตาร่างกายก็สู้ี่อิริยจังวาดเนี่ยเกลื่อกินว่าอะไกระตามมาานี่เป็นเรื่องเรื่องคาโดยอ้อมอันนี้เพราะฉะนั้นพอแม่เข้ากับัวล่มคู่มือคู่มือบารี่เขาก็แปลว่าสัวแท่ๆเนี่ยจังร่องเอาทุ่รัพย์นี่ไปใส่น้าหนาทัพ์อื่นทัพ์ได้กระตาง ยังทุหรือทอดเดวาสัวทอ่คนทุศีนคือประพฤติสัวคนนท่างไปเาเขาเอินทูละกันดานทูละทูลเลมคนหายคนเหี่ยมโหดคนใจอ ม, มอะิตบริจากบุญคุ้นของัยต่อสายเขาเอิญท่ากับมีท่ชนท่ละที่ อื่สัวเกินเพราะกล้าเขาใกล้ผู้ใดก็ได้มาดูบ้านนี้นั่งน้ากันสับลาบผู้เทาเทิงหัวงอกแงหัวบงงอแนเหมือกันสัวลงข้มือสัวทางธรรมชาติอันนี้ทุคพลภาพพ่นเขาแปลว่ากําลังกําลังตกเหือแห้งมืมีล่ะมาดูสัวทุแปลว่าสัวยัไงไงวะเข้าไปบางรูปบางร้านเขาเท่าที่เขากําลังเบีงบานขึ้นม่านเมือนดอกไม้เบ่ยงบาน เขาพร้อมทุกอย่างเขาก็มีหูมีตามีขามีแขนคือเฮ้าเฮากับมีหูมีตามีขามีแขนมีตีนมีมือคือเขาแต่ว่าหูตาขาแขนของเฮ้ามันถึงใช้งานบดีเฮาจะคอยว่าเอาเยวะสัวมีอยู่แต่เหลือไว้ครับผู้เฒ่าผู้แจทุกคนมีแต่แน่ว่างห่างโบมีแน่ดีจ้กอันตากว่าอันมีพ่อใดเห็นทางไปทางมาฟั่งฟั่งนี่ละว่านตัวเงี้ยกลนเข็มกับโบได้ลุยปินลุยเปลี่ยนแถวก็มีพ่อ อันได้ยำกระยุวกรย่นี่ละบ๊อพ่อสิยำดูยำก้างมุนหอกก็เถอะยห้างห้างส้งกลื่อนทรงไปรลดนะบาก็นีกาซ่ากันยัง บ, บพอสิแบรกรัวแบกเพืนมาหอด้านได้ไม่ใช่สติปัญญา ก, ก๋นี่พ่อพ่ อ, พอชัพ่อลหลวงนาหลวงหลังวสิณเ อ, อืนลูกผู้นั้นลุยไปเ อ, อ่นได้สองสามคนเ ส, นะสื้อสิถืตัวมั่นน่ะม่ใเนี่ยสติเกี่ยวับมันคงเด้เอื่น ขันแจงตะบ้านเ่าซ้ำแจ๊บว่างกันตัวสีเอื้นผู้ใดแก่จงตัวย้อยจงตัวที่เป่งหลดคู่มือนี้ยว่าสี่เอื้นอ้ที่หนึ่งฟัดไปได้ไอ้ที่สามพุ่นไม่ใี่ไม่ไดแน่ห้างบ่เถอะมันเหมาะกับงานหรือเขาว่าร่างกายของผู้เฒ่าบ่เป็นกับมันโยอบ่เหมาะกับงานในระหว่างมันบ่เหมาะกับงานให้แังคอยเอิ้นให้ลูกให้หลานพู้เขาเป็นบ้าเป็นสาบเป็นธาบเป็นนางออกมาส่วนมาต่างแล้วละ ให้เขาได้นินงได้ฟังให้เขาได้เกิดธรรมะขอนึงปลูกฝังธรรมะขอได้ขอหนึ่งจนได้ย่างขีลายกับกระตันยุต่าธรรมให้มันมีก็ดิตกัดใจบ่าวสาวของเฮาลูกๆแ ล, ละหลานผู้เกิดไม่ไนรุ่นกําลังเบียงบานถืมันให้เขารู้จักเมตตาสงสารคนเถ่าคนแกให้เขารู้จักจใช้เวลาเวลาเป็นประโยชน์ต่อพ่อต่อเมีเขาเอินต่อบุญแท่นขุณเขาใส่มั่นคือโได้ใช่หมีเก้า โตขอบตัว้วจะไปคุ้นานะบยูกับพ่อกับแม่พอม่พอแม่บาจกินแ้กินแห้งเื่อไปตขอดโตขั้ว อ, อ้ยอันใดกอยากมั่งอยากมีเป็นไปคุ้นาเป็นมันมันแบบนั้นใครให้พ่อให้แม่ได้ขึนใจนั่นเนี่ยจะหน่อยนี่ทรัพย์ปัญญานี่มันมันมาคุ้มค้องทรัพย์พนอกใช้ทรัย์ภพนนอกอยางละมันระว่าง บ่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นและตัวเองได้ทั้งสองเงินมันป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นทัพปัญญานี่มันเบิดเ่าเป็นญาปิ ญ, ญาติมันเบิดทัพปัญญาสัพย์ใต้นอกร้องมือดูขันบ๊เขียมคันบ่วยปัญญาต่ะเบิดเอเรเล่อเรื่อยเ อขออย่างวานด้วยมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดจริงของต้องประสงค์กินน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงใหญ่ใจลงให้มากจะยากนานสิทุกสิจุนยึโดนนาน่ น, น, านมังนะั่นนีเนี่ยแต่คุณมือนบราณเสียทีมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทไปตลาดฟว้าให้เปลี้ยงแอเสงเมานิดหน่อยต่อยตะบันทันงอแ ง, งต้องนอนแคร่สองสลึงจึงสิริษฐนเอาให้นอนแคร่สองสลึง มันจะพอยวัวไปง้อยเงี้ยก็ไปเป็นนั่นมาต่อนี่แหละเขาว่าอสุภาพิตของนักป่าสุขระโปกะเขาว่าอย่างเงี้อจะดูวัวชั่วดีดูที่หางจะดูมังจะดูนางดูแม่เงมือนแลเห็นเหมือนลูกยาหางต้นหล่นกระเด็นก็จะเป็นเช่นพงเผ่าเราก็เอือกุ้มือมันกลับกันเลยจะดูวัวชั่วดีดูที่หวัว จะดูชายมาเป็นผัวดูกระเป๋านิสัยดีขาดเงินเมินอย่าเอาถึงชี่เล่าชี่ชอบขอแต่รวยสีสอดตัวแล้ยงสร้างหัวสูงแต่มันรูน้เอาไปก็บเปไดโ้โดนซ้ำนี่ไปเลยมันคเคลือ่อรือเคลื่อนตีดมันมีคุณธรรมนี่เป็นคําก้องของนักปาชสกปกเปิ้เท่า น, นั้นส่วนทางกับของโบราณโบราณเบบดู มันเดินก้วลเส็นไปเร่อยๆมันมันมันเรียกว่าควรเห็นนี่ก้วมเห็นนี่นนกลับกันเรื่อเพราะฉะนั้นการฝึกกรรมฐานนี่มันเป็นธรรมะสำหรับเอาไปใช่อ ย, ยู่กับชีวิตประจาว่าน เ, เรื่ลยๆไม่ได้แยกไว้ให้ไปกำานาลเรื่อยไปกำงานใดเขาเอื่นธรามาประยุกษ์ อย่างมอลลั่มเขาเขียนว่ามอลลั่ประยุกนักทเทศเสียงก็ บ, บอกว่าเทศเสียงประยุกข้าว่าประยุกของมอลลัมล่มหรือประยุกของนักทเทศเสียงขึ้นอย่างไดมอลลั่มห้างเชี่เขาเป็นมอลลั่ก่อนแต่ว่าที่น่องกว่างห้องอยากฟังลั่มเรืองเขาเกะลั่มเรืองเขากะเดียวเพียงกับมีได้ฟังทุกรถเวยเถอะห้างเชี่รมอลลั่มที่นที่สิได้ฟังคดีโลกเอาคดีท่ามมาหายผู้ฟังฟังก็มีลั่มท่ามะไปชอดะเฉไปเรื่อยเลยเถอะ บางตาล่ำเรื่องกะทินบุกะทินเนา่ากะทินเสามองโจละกะทินจูละกะทินเออเรื่องน้าโกอเวกีล่ำไปเบิร์เอเลียดคือกันละ่ละในบานนี้เห่ากะฮัม บ, บอธถึงมาถึงผลขันฟั้งแล้วได้อก บ, บวชคือพยาสาไขา่ฟังลำ่ำคู่มือมันตั้งเอาคั้มเปิดเพื่อนเอาคั้มสนุกสนานมวลซีลแต่กะจะลืมว่าคั้มเปิดเพื่อนสนุกสนานมวลซีนมันมีอันตรายมากน้ากันอื อันตรายมากกับคว่ำเผยเพื่อนสนุกสนานมวลซึนอันตรายที่ห้องมองเบาเห็นเขาเอิ่นปฏิฉันปฏิชั น, ชนมาทุกข์ค่าค่ากับคว่ำชล่าที่ห้องมองเบาเห็นเขาเอื่นปฏิฉันในชลา่าคว่ำชลาทาัานเหนือท่านตัวห้องเหนเขาเอิน่นชัลล่าเปิดเผยโบเมนโปกปีตอันนี้เร่องการเกิดขึ้นของกิเลนเป็นการเกิดขึ้นย่างโปกปีดเด่นห้องบาเห็นการผู้หญิงไม่ถ่องเขาเอิ่นเป็นการ เกิดเปิดเผยเห็นด้วยตาเนื้อได้ทุกที่ท่เห็นด้วยตาเนือเนเน้อนี่เขาเอิ่นปริฉันนะทุกหละ่ะยังลู่ลานขาองออกไปมวนซื้อสนุกสนานในงานกับคำขึ้ น, นี้เริ่มก้าวขาลูกจากบา้านกัฟ้าค่วมมืดเนี่ยมาดูมีโอกาสเหยียบชีเชฟมีโอกาสเหยียบแม่งอดมีโอกาสเหยียบแม่ ง, งเงานียบงูเหยียบเนีวเนี่ยมันดูเริ่มเริ่มสี ม, มีไพ่แล้วขันไปหอดว่องลำ่ำ เตรียมหาที่นั่งจองที่นั่งหนาเวทีหรือหนาจอนังเข้าเขามีโอกาสเรียบร้อยโอกาสนั่งตางหน้าหมอกอ่านหน้าข้างร่างกายของเขาปับเ พ, พท่านมีโอกาสเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นป่วยเข้าเขามีโอกาสเสียทรัพย์เสียสินไปซื่ออยู่ซื้ออย่ามาปีนมาปว่วยนั่นนะมาดู ไล่กระท่งแลบอบบางกันห้องบวกลบพูดหาใช่กันแล้วฟังลองฟังล่อยู่ดีๆ ด, ดูนังเพื่อนเพืนพ น, นักเล่้งเขาตีเขาต่อยพลิกของต้องเสียงปาลาระเบิดใส่กันยิ่งปืนพันนะไม่ใช่กันเจ็บตัวเพราถูกลูกลงนี่สิหรือลูกหลานก็เข้าไปญิงกัถูกชุดขลาหน้าจางแค่สนเนี่ยนี่ห้องมองมาเห็นเขาเอือนปฏิชนนะทุบทุกปกปิดเบิดในขณะที่เข้าไปฟ้าก็ามืดไป บัดเท่าบวกลบคูณหารสกันแล้วมันมันลายไปนั้นแหละบัดผู้ปารธนาไปในงานปรารธนาคั้วมวลซื่งสนุกสนานลาเลื่องเท่านั้นเหลายแนวกันยังว่าอันตรายมันมากกับคั้วมวลซืนอันตรายมากกับอาหารการกินที่โอชะหวานมันเสีบเสีบกับเพราะว่าโรคเก้านี่โรคเศรษฐีขนพูดได้ว่ามีเงินไหลกัรักษามันบ่หายส่วนมากมันบ่หายปวดค้อปวดหันปวดนี่เขาเอินโรคเก่าลู้มาสีสัํากับสีเอิะ คณวา่ย า, ย, า, ย, าย่าย่าชายไรถลาเฮ้ยผมชุูรสอ่ะเขากะ ว, ว่าห้ามจยงญี่ปุ่นมาอยู่กับเขาพายญี่ปุ่นพายุจีนเขาไม่กินได้อดขาดเลยญี่ปุ่นอ่ะเขาจ้างแม่ขั้วอยู่ประจําไำตลอดพันศาจิราพันาเขามาอยู่ปลาสู้ตัวนี่ท่านไ้ว่าตลอดปีมีแม่ขัวเป็นประจําเขาควาักต่างให้แม่ขั้วประจําบ่อยมีอาหารผงชูรสิบ่หมีเลย ไทยญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศเขาเฮียขายซื้อมึงดูยูจิเนี่ยจำไมาซ้ำกันประนันล่ะสบู่เขาสิบวัถูอันวัถูสบู่กันไม่จีนไม่ไอได้เนาะเลียเบงรูปล่างผิวไมีน้ำไม่นุ่นเตอะบัดเขาใกล้ๆไก่จีนไม่ไอเป็นแต่สังคมเขาล่างเจียดอยู่ดีล่ะอันนั้นเบลากลายเพิ่งกินอะแต่บอกกินผมชุลดนาสารเสื่อปิเทศล่ะ อันข้อเขา้ามุ่งถึงแทบมั่นเตะนั่นแหละคือโลกวันแห่งอยากน้ำตาลมันไปหาแต่แนี้ย ผ, ผิดแล้วอันท้อกิเลสขึ้นกันละ่ะบอกว่าอันนั้นมันคัดกับโลกละ่ะพอแห่งเปลี่ยนอยู่แม้แห่งเปลี่ยนอยู่สิว่อยากให้ใช่ผมชุลดก็แห่งใช่ผมชุโลดละ่ะคำว่าใช่มั่งขึ้นอย่างแท็บเถอะว่าเนี่ยขันมุ่งถึงขว้วแทบมัน่นคัดกับโลกล นั่นไตรเกษตเพราะฉะนั้นเข้ารักผู้ที่ศิรษาพ่อสาวแม่ผู้ที่สีต่อบุญแท่นคุณนยะกายเป็นอ่าขาพ่อขาแม่โดยบปรูหลซึกตัวด้วยจิตงอเข้าเอินโมหะจิตเทาบุญที่ถว่วนกระสีเป็นการขาพ่อขาแม่เดิย้ยู่ในกลุ่มของผู้อเรียกว่าอนันตติกรรมหาดิ้ยิฐุขาณมาตุขาณได้ดิย้ยเข้าใหา่เรียงเพื่อนเลยไหมอยากให้จินเสียเแียเสียว่า จริงนั่นเขาบอกว่าเป็นของสแสดงโลกเข้ามีโบยง